ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายมงคลแห่งชีวิตวันนี้ก็มาถึงชุดที่สแห่งมงคลที่ทรงใช้คำมาลีว่ามาตาปิตุอุปถานังปุตตะดารัสสักสังเกหอนากุลาเจกรรมันตาเอตมังเลมุตตมังซึ่งแปลไปใจความว่าการอุปถา บำรุงมารดาบิดาวดนาหนึ่งการเลี้ยงดูบุตรปัญญาหนึ่งการทํางานที่ไม่ค้างค้างอากูลหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นอุดมมงคลในข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนเราก็เริ่มมาถึงจุดที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวครอบครัวบุคคลมีทั้งส่วนเบื้องบนของตนเองแล้วก็ส่วนเบื้องตาม ซึ่งจะต้องรับผิดชอบทั้งสองด้านในกรณีของมันดาบิดานั้นทางพระพุทธศาสนาได้ย่องไว้ในฐานะที่เป็นพิเศษราอนี้พระพุทมีพระภาคเจ้าได้ทรงสแสดงไว้ในพระสูตร ต, ต่างๆเป็นนันมากเป็นการเชิดชูยกย่องมันดาบิดาไว้เช่นว่า มารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรมของบุตรติดาในข้อนี้ ท, นท่านอธิบายว่าธรรมดามารดาบิดานั้นเป็นผู้ปรารถนาบุตรเมื่อความต้องการบุตรเกิดขึ้นและไม่ได้บุตรตามที่ต้องการก็จะมีการวิ่งเต้นแสวงหาบุตรกันด้วยวิธีการต่างๆตามที่ตนเชื่อถือกัน โดยพื้นฐานจิตแล้วท่านประกอบด้วยเมตตาจิตต่อบุตรธิดายามบุตรธิดาประสบภัยอันตรายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีความกรุณาเมื่อบุตรเดินได้จบการศึกษาตั้งตัวได้เป็นหลักฐานมารดาบิดาก็จะมีมุติตาคือปล่อยชื่นชมยินดีเมื่อบุตรดารงตนได้อย่างมั่นคงแล้ว จเมาเดินได้อย่างมั่นคงแล้วทำการงานได้มั่นคงแล้วตั้งตัวได้มั่นคงแล้วท่านก็จะมีอุเบกขาในบุต ธ, ธิดาเหล่านั้นดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพรหมของบุต ธ, ธิดาประการต่อไปทรงใช้คำว่าเป็นบุพกาจารย์หรือบุระกาจาร์แปลว่าอาจารย์คนแรกซึ่งสอนลูกของตนให้ศึกษาสำเน็จในสิ่งต่าง ตั้งแต่เบื้องต้นมาได้ชื่อว่าเบนาขุนเนยยะตรงนี้ก็ให้ความสำคัญที่เรียกว่าสูงสุดเพราะคำว่าอาคุนนยยะนั้นแปลว่าผู้ที่ควรบูชาของลกูกเรียกว่าเป็นพระหันของบุตร ธ, ธิดาในข้อนี้ท่านอธิบายว่าพระหันทั้งหลายนั้น แม้บุคคลเราอื่นจะกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อท่านไอความคิดประทุษร้ายตอบต่อบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีภายในจิตของพระหันชั้นใดมารดาบิดาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือแม้บุตรจะก้าวร้าวจะรุนแรงหรือจะทำโทษผิดอะไรก็ตาม แต่จิตคิดประทุสร้ายต้องการความพิบัติได้เกิดขึ้นกับลูกจริงๆนั้นไม่มีบางครั้งอาจจะปากร้ายไปบ้างหนักไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ต้องการให้เป็นไปยอย่างที่ตัวพูดในขณะนั้นดังนั้นท่านยังถือว่ามัรดาบิดาเป็นมิตรภายในเรือนใช้คามาลีว่ามาตามิตังสกเกคเรเอมัรดาเป็นมิตรในเดือน ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีความรักใคร่ต่อบุตรธิดาของตนมุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลมุ่งความสุขแก่บุตรธิดาของตนอยามีภัยอันตรายก็พร้อมที่จะปกป้องให้การรักษาบุตรธิดาของตนแต่แม้จะมีภัยพิบัติอย่างใรก็ไม่ทอดทิ้งบุตรธิดาของตนเป็นตนซึ่งจากหลักเหล่านี้เป็นการแสดง ให้เอ็นดึงมาดาบิดาในขั้นของอุดมคติรือพ่อแม่ในชั้นที่เป็นอุดมจริงๆส่วนี้มีพ่อแม่บางพ่อแม่บางคนที่เพี้ยนเพียนไปบ้างือทาอะไรไปบ้างเราก็ไม่ได้ศึกษาถึงพื้นฐานที่แท้จริงว่าเกิดมาจากอะไรงานมาเจอเกิดมาจากความไม่ปกติทางใจหรือปิญหาปัญหาถูกบีบคั้นทางใจเป็นต้นก็ไม่ใช่วิญญาณของพ่อแม่ที่แท้จริง แต่เป็น่งของสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมารดาบิดาเหล่านั้นทํทำให้ท่านไม่สามารถที่จะควบคุมในความรู้สึกนึกคิดของตัวให้อยู่ในคันลองที่เหมาะที่ควรได้พระเจ้าทรงแสดงการอุปถากปํารุงมารดาบิดาเอาไว้ว่าเป็นภารกิจที่สูงสุดของลูกและเปิดโอกาสพิเศษ คือสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแม้ที่ผู้บวชมาเป็นภิกษุสามนเณรในพระพุทธศาสนาก็ตามยิ่งไปกว่านั้นยังได้แสดงว่าการอุปถากคความงมารดาบิดานั้นจะท า, าให้ตนเองเป็นเทวดาในชีวิตปัจจุบันโดยร่างกายอันตรภาพที่เป็นมนุษย์นั่นเองแต่ด้วยการอุปถากคครางมารดาบิดาเป็นต้นก็ท า, าให้บุคคลนั้นเป็นเทวดาในร่างกายปัจจุบัน ในชีวิตปัจจุบันในกรณีของการอุปถากตํบำรุงที่ถือว่าสูงสุดนั้นก็ทรงแสดงถึงการตอบแทนบุญคุณว่าลูกสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยวิธีการต่างๆเช่นว่าท่านเลี้ยงดูมาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบแทน การเลี้ยงดูนั้นโดยความหมายในทางปฏิบัติแล้วก็มีเป็นสองชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือเลี้ยงดูส่วนที่เป็นร่างกายของท่านให้รับความสุขให้มีอาหารมีที่อยู่คือสะดวกสบายในด้านปัจจัยสแต่การเลี้ยงดูอีกชั้นหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญได้แก่การเลี้ยงดูรักษาน้าใจธนุถ น, นอมน้ำใจท่านให้มีความสุขใจมีความสบายใจเพลิดเพลินใจ และชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นทรงแสดงโดยอุปมาถึงการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาว่าบางครั้งบางคราวแม้บุตรธิดาจะนำมารดาบิดาของตนไว้เอามารดาวางไว้บนบาขวาบิดาวางไว้บนบาซ้ายตนุบำรุงเป็นเวลานานแสนนานยังไงก็ตามคือตลอดชีวิตของต น, ตนแต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณได้หมดสิน้นต่อเมื่อใดบุตรธิดา ในชักนำมารดาบิดาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมให้ตั้งอยู่ในธรรมไม่มีศีลให้มีศีลไม่ให้ทานให้ทานไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนที่แท้ จ, จริงเพระาะอะไรเพราะเป็นการให้สมบัติที่แท้ จ, จริงการให้ความสุขในด้านทางการนั้นเป็นการให้ชั่วระยะที่ท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองแต่เมื่อ ท่านตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เกื้อกูลอะไรแก่ท่านไม่ได้แต่การชักชวนเชิญชวนเออจะหาวิธียังไงก็ตามให้มารดาบิดาได้ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เป็นการให้สมบัติที่เป็นอมตะหรืเรอเป็นอย่างน้อยก็เป็นอริยทรัพย์แก่ท่านเป็นทรัพย์ที่ไปเสรดทรัพย์ที่สามารถจิตตัวติดตามตนเองไปได้แล้วก็เป็นการตอบแทนด้วยการ เลี้ยงดูการรักษาน้าใจของท่านแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆในด้านกิจการงานต่างๆก็ส่งสอนให้ช่วยแบ่งเบาภาระกิจการงานเหล่านั้นช่วยเหลือช่วยจัดช่วยทาให้เกิดความเรียบร้อยเวลาท่านแก่เท่าชะล า, ราจริงๆก็รับภารกิจเหล่านั้นมาจัดมาทำให้เกิดความให้เกิดให้ท่านเกิดความไว้วางใจสบายใจใปล่อยวางได้ การวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของผู้สืสบสกุลจนลักษณะเหล่านี้ ท, ทั้งหลายจะสังเกตว่าอย่างในสมัยโบราณนั้นเราเรียกผู้หญิงผู้ชายพวกรุ่นหนุ่มรุ่นสาวว่าคุณระบุตรกุณริดาเพื่อเด็กมีความสำนึกมีความรับผิดชอบต่อสกุลวงศ์ของตนกืจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำตามลำพังตนเองแต่ก็ทาในานามของสกุลนั้นสกุลดิ เวลาเขาพูดถึงก็จะพูดถึงในทางสกุลอย่างในสมัยโบราณเราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาเขาเรียกภิกษุเขาเรียกว่าสมาัมมาสัชกยจุตรเรียกพระนั้นจะเรียกว่าสมาัมมาสัชกเจ้าุตรหมายความว่าเป็นลูกของเจ้าสักกยะสัมมาที่เป็นลูกของเจ้าสักกยะเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นสักกยะเพราะงั้นเมื่อเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็เป็น บุตรของสักยะเวลาผลกระทบทางด้านบวกด้านลบจึงถึงสักยะโดยทุกจีหรือบางทีก็เรียกเลยไปเลยเช่นสารีบุตรหรือโมฆะลานะเป็นตน้นสารีบุตรก็คือลูกชายนางสารีโมคะลานะก็คือลูกชายนางโมคันลีโดยความหมายก็คือกุลบุตรกุลธิดานั่นเองเรียกว่าลูกของสกุลลูกชายของสกุลลูกสาวของสกุล เมื่อเราเรียกขานแก่เช่นนี้ก็จะเกิดสัญญาคือความสำนึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่แต่ลำพังการกระทําทั้งดีทั้งชั่วนั้นมีส่วนผูกพันอยู่กับสกุลวงศ์ด้วยคือผรอยรับด้วยเด็กก็จะมีความระมัด ร, ระวังมากยิ่งขึ้นในการแสดงออกในความประพฤติของตนจะพยายามทําตนให้เหมาะสมแก่ฐานะของญายาที่รับมรดกของสกลุล แล้วข้อต่อไปก็คือทำตนเป็นผู้ควรแก่การรับทรัพย์มรดกซึ่งในปัจจุบันนั้นเราก็ไม่ค่อยจะนิยมในการให้เด็กรับมรดกเป็นชิ้นเป็นนันมากเกินไปเป็นการกันนิยมอยู่ในบางกลุ่มแต่ว่าจากการบีบคั้นทางเศรษฐกิจนั้นต่อไปก็คงจะลดลงไปในเรื่องเหล่านี้าการเก็บรวบรวบสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้แต่กลุ่มเดียวพวกเดียวคนอื่นจะอดยากอดอดอยากขิวหวยยังไงก็เป็นเรื่องของข่าวนี้ก็คงจะ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความบีบคั้นของสังคมกแลักษณะทางเศรษฐกิจแต่เราจะให้มรดกในเชิงที่เป็นวิชาความรู้เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบสมาชีพของลูกหลานมากยิ่งขึ้นเกิดแทนที่จะให้แกไปเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนั้นพอเอาก็จริงบางทีแกก็รักษาไว้ไม่ได้แม้จะมากมายอย่างไรก็ตามทั้งนี้นิยมให้ในด้านสติปัญญาความรอบรู้ศิลปะในการเลี้ยงชีวิตกันมากกว่า แต่เมื่อทําการล ก, กิริยาตายไปแล้วก็ทําบุญที่กุศลส่งไปให้นี้เป็นสูตรที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะแต่ในส่วนของสิงหาและกระสุนที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ประกนนาศใดการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักอุปถากบํารุงมารดาบิดาไว้ว่าเป็นอุดมมงคล น, นั้นทรงใชง้คําว่าเป็นวงเป็นประเพณี ของบัณฑิตทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าในชาติปางก่อนเป็นต้นว่ามีการอุปถัมภ์ามรุงมารดาบิด า, ดดาในเรื่องนี้เมื่อต้องการจะกระตุ้นให้ผู้ฟังมีความเชื่อมั่นว่าตนเดินตนได้เดินตามรอยบาทของพระองค์อันเป็นปฏิปทาเป็นวงของบัณฑิตเป็นเชื้อสายเป็นเหล่ากอของบัณฑิตที่ประพฤติปฏิบัติเกัดมาก็นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าเช่น เรื่องของสุวรรณสามโพธิสัตว์ที่เลี้ยงดูบัรดาปิดาผู้ตาบอดจนประสบอันต ร, รายถึงแก่ชีวิตแต่ด้วยแรงของการเลี้ยงดูบัรดาปิดาและสัตยาธิษฐานของบุคคลหลายขวายด้วยกันก็ทำให้ตั้งฟื้นคืนขึ้นมาได้แต่บางครั้งบางคราวก็ปลอดจากภัยอันต ร, รายต่างๆได้สามารถแก้ไข เหตการวิกฤตที่เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองแก่ประชาชนได้ด้วยอนุภาพเป็นการเลี้ยงดูบัรดาบิดาพระเจ้าก็เล่าเรื่องของสุตนโพธิสัตว์ว่าสุธนโพธิสัตว์นั้นเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ต่อมามานันบิดาได้ถึงแก่กรรมลงตัวเองก็มีมารดาอยู่คนเดียวก็เลี้ยงดูบรนดาด้วยความกตันดูกรตะเวทีเป็นอย่างยิ่ง ทำงานไม่ได้คำหนึงถึงความเหนื่อยยากลาบากมีอะไรก็เอามาบำรุงมาให้มารดาแต่เนื่องจากพื้นฐานทางความรู้ฐานะทางครอบครัวไม่สูงการงานก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้มากต่อมาก็ได้มียักษ์ตัวหนึ่งเกิดขึ้นอารวาสฆ่าคนโดยเฉพาะก็มาเกี่ยวข้องกับพระราชาในเมืองนั้นราชาต้องส่งสวยคือส่งคนไปให้ยักษ์กินวันละคน จนในสุดคนก็หนีกันหมดพราจาหาใครไม่ได้ก็ต้องประกาศให้เป็นรางวัลสุตนาโพธิสัตว์เห็นว่าต้าพระองค์จะไปทำงานเพื่อรับรางวัลเนี่ยมันจะได้ผลสองต่อคือจะได้เงินมาให้ความสุขแก่แม่ในขณะเดียวกันก็จะช่วยแก้ปัญหาไปเกิดขึ้นแก่บ้านแก่เมืองได้ต้าองก็ไปขอรับอาสาเพื่อไปนำอาหารไปให้แก่ยักษ์นั้น แต่ขอรองเท้ากับฉัดกับดา บ, ก, บกับอาหารไปสามอย่างเมื่อไปถึงยักษ์ก็จะกินแต่พระโพธิสัตว์ก็ถามว่าท่านมีอำนาจในการกินคนได้อย่างไรยักษ์ก็บอกว่าคือแ ก, แกได้พรจากทเทวสวรรคว่าสามารถกินคนที่เข้ามา ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้นี้แล้วก็มายือนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้นี้แก็จะกินได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็กินไม่ได้สุธนโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้างั้นท่านกินข้าพเจ้าไม่ได้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ยือนอยู่บนแผ่นดินของท่านแต่ยืนบนรองเท้าพ้าะเจ้าไม่อยู่ในภายใต้เงาต้นไม้ของท่านแต่ก็อยู่ภายใต้ร่มหรือจัดที่ประราชาประทานไป และในสุราาสตรพระภพธิสัตว์ก็พูดชี้แจงให้ยักษ์เกิดความเข้าใจว่าการที่ท่านเกิดเป็นยักษ์นั้นเพราะบาปอากุศลชั้นหนึ่งแล้วแต่มาชาติปัจจุบันนี้ท่านยังสร้างบาปสร้างกุศลอีกโดยการกินคนโดยการทำลายชีวิตของบุคคลอื่นเป็นการเพิ่มบาปให้หนักยิ่งขึ้นแต่อาจจะได้อาหารท่านอาจจะได้อิ่มในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่โอกาสต่อไปความทุกข์ทรมานในชีวิตของท่านก็จะมากขึ้นไปยิ่งกว่านี้ ชีวิตในขณะนี้ก็บาปมากพอแล้วทุกมากพอแล้วทำไมจะต้องสร้างบาปให้มากกิ่งขึ้นยักษ์ก็เห็นตามคอยตามพระโพธิสัตว์ก็ให้สมาทานศีลศีลห้าประการในทุนยักษ์ก็รักษาศีลแล้วกลายเป็นคนที่ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองแต่แตนที่จะล้างผลาญบ้านเมืองจากการทาของสุธนโพธิสัตว์นั้นจุดหมายสาคัญคือต้องการที่จะหาเงินสักข้อ น, นึง มาให้ความสุขแก่แม่ซึ่งชราลงแล้วเป็นการทำที่ออกจะเสี่ยงคือสละชีวิตตัวเองเลยตัวการสำคัญจริงๆก็คือความกตัญญูต่อแม่ทึ่มีอยู่คนเดียวแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แม่ของตัวในสูตรพระโพธิสัตว์เคยรับยุคจ้องจากประชาชผ่านพ้นความเดือดร้อนไปได้เพราะอานาจของความกตัญญูเสียสละที่ท่านได้กระทามา เรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้นํามาเล่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนในเชิงของบุญกุศลและในเชิงที่เป็นเครื่องคุ้มครองคล้ายๆกับเกรา ะ, ะสําหรับคุ้มครองปกป้องพญานันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่ตนได้ด้วยอาศัยอนุภาพของความกตัญญูกตวเวทีการอุปถัความรุ่งมารดาบิดาของตนและในกรณีนี้ก็เปิดโอกาสกว้างออกไปแม้แต่พระเองซึ่ง เช็นว่าพระตามปกติก็เป็นผู้ไม่ครองเรือนเรียกว่าอนาคาริกคือไม่ครองเรือนแในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงเปิดโอกาสให้นามาดาบิดามาเลี้ยงดูได้ถ้ามีปัญหาในข้อนี้เกิดต้นเหตุจริงๆก็มาจากบุตรเศรษฐีรูปหนึ่งท่านก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เหมือนกัน ในความปบัต ร, รมเทสนาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจวขอบวชพ่อแม่ขอร้องห้ามปรามยังไงก็ไม่ยอมในที่สุดหนักข้าวจนถึงก็อดข้าวก็ให้พ่อแม่เลือกเอาว่าจะให้บวชหรือจะให้ตายแบบนั้นก็จะอดข้าวให้ตายเลยพ่อแม่ก็ต้องยอมแกยอมให้บวช จะบวชแล้วก็เข้าบํเาเพ็ญเพียรศึกษาธรรมะอยู่ระยะหนึ่งพอตามธรรมเนียมการบวชในสมัยก่อนนั้นจะต้องอยู่ในสํานักอุปัชย์ยศอาจารย์ระยะหนึ่งก่อนไม่ใช่วันนี้นิ่งเข้าป่าโดยไม่ได้มีหลักปริยัตอะไรอยู่เล ย, ยรู้สึกจะปีที่แล้วนะครับมีพระองค์หนึ่งกบวชเสร็จเข้าป่าเลยไม่ได้ศึกษาอะไรเข้าไปก็ทำํทำตามกรรมฐานก็ จิตฟ้อนเฟือนเกิดวิปริตไปเขาก็นำมาที่วัดมากันสองสองคนพี่น้องก็พอๆกันจิตใจก็ออกจะวิปริตไปะยะพระเจ้าคุณสมเด็จ ก, ก็ช่วยแก้ปัญหาให้แก้ไปยังไงก็ไม่ทราบเหมอือนกันตีนี้แสดงเหตุว่าหลักการของรพระพุทธเจ้านั้นต้องเรียนซะก่อนภาษาธรรมเราเรียเราเรียงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ประยัก็คือการศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็ต้องก็ปฏิบัติไม่ได้ภิกษุรูปนั้นท่านศึกษาแล้วเข้าไปปฏิบัติในป่าเป็นเวลาสิบสองปีไม่ได้อะไรเลยหรือสมาธิแม้แต่ขณะหนึ่งก็ไม่ได้ก็มาพิจารณาดูตัวเองว่าเรานั้นก็คงจะเป็นคนอภพไร้บุญว่าไราวาสนาที่จะปฏิบัติได้เกิดผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ก็กลับมา ในความคิดนั้นก็เสียดายทั้งสองอย่างคือเสียดายจะศึกไปก็เสียดายแต่ข่าวคราวที่ท่านต้องออกจากป่านั้นก็รู้ข่าวว่าพ่อแม่สูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากเพราะถูกคนชอบโกงลูกหนี้บิดเบี้ยวไปก็เหมือนเหมือนกับในปัจจุบันนี้จนถึงกับสองตายานั้นต้องออกไปขอทานแล้วท่า น, นก็ตกใจมากก็รีบออกมา ออกมาพอเห็นพ่อแม่เป็นเช่นนั้นก็ไปหาสถานที่ให้พ่อแม่อยู่ก็เริ่มคิดต่อสู้กันทางความคิดว่าจะสึกหรือจะอยู่แตจะสึกก็เสียดายแต่ถ้าไม่สึกไปแล้วพ่อแม่ใครจะเลี้ยงดูจากความคิดที่ต่อสู้กันอยู่นี้มันก็เข้าข่ายประยานของพุทธเจ้าพระเจ้าก็เริ่มเทศเรื่องการเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยพรณนาอานิสงส์การเลี้ยงดูมัรดาบิดาไว้เป็นดันมาก ถึงแสดงว่าขอเพียงแต่มีความสำนึกที่กอบด้วยกตัญยูกตเวดีเท่านั้นเองคนจะอยู่ในเพศอะไรก็สามารถจะเลี้ยงดูปานดาบิดาได้แต่ชื่อว่าเป็นการทำตามพระองค์เพราะเป็นบุพจริยาคือการประพฤติในการก่อนของพระองค์ที่ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นพระโพธิสัตว์นั้นให้ลองสังเกตว่าจะมีความหนักแน่นในพ่อแม่อยู่ตลอดเลย ในสมัยจันตะกุมารขนาดพ่อจะเอาไปประหารยังยงยงไม่ได้โกรธตอบอยังไม่ประทุษร้ายตอบต่อพ่อแม่นี่คือลักษณะของพระโพธิสัตว์คือจิตใจจะมั่นคงในกตัญญูกัตะเวทีความผิดวางครั้งพ่อแม่ผิดก็ถือว่าตัวเองผิดตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นบาปโทษเกตตนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่บวชเป็นพระก็สามารถเลี้ยงดูบรดาบิดาได้ ท่านก็ทํางานได้สองอย่างคือบินตบบาทมาจะให้มารดาบิดารับประทานซะก่อนแล้วตัวเองก็ไปบินอีกเที่ยวหนึ่งถ้าได้ก็ฉันไม่ได้ก็แล้วไปอจนในที่สุดคือท่านเป็นคนหน้าใหม่ในข้าวมาคือข้าวไปอยู่ป่าเนี่นานคนไม่รู้จักแม้จะเป็นบุตรเศรษฐีก็ตามบินตบบาทไปบินตบบาทมานี่พ่อแม่ได้กินแต่ลูกสุวนมากจะไม่ค่อยได้กินจนผ่ายพร้อมลงไปโดยลําดับเพื่อนรู้ข่าวเข้าว สอบถามทราบความเช่นนั้นก็ตำหนิว่าบิดตะบ่าทิทยกเขาให้มาด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคือหัานั้นไม่ควรก็ดำไปฟ้าวพทธเจ้าพระเจ้าก็สรรเสริญเพิ่มขึ้นอีกยกย่องขึ้นในท้ำกลางบริษัทพระเราองค์รูปนี้ท่านก็สบายขึ้นมีคนรู้ข่าวเรื่องราวต่างๆก็มาช่วยเหลื อ, อพ่อแม่ท่านมากยิ่งขึนปัญหาที่เป็นมนทินใจของท่านคือวิตกกังวลเรื่องพ่อเรื่องแม่ก็สงบลง สูตรบำเพ็ญเพียรไม่จะบบาเพ็ญเพียรนตอนนั้นขวังเทพข่าวนั้นก็ได้บรรลุโสดานี่ก็คือโยตะเดกได้สองเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรามกตัญยูกาตเว ท, ทีที่ลูกจะพึงมีต่อมารดาบิดาต้องมั่นคงแน่นอนจริงๆหรือไม่ทอดทิ้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็าตามแลในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้า ในด้านของธรรมะก็ดีในด้านของวินัยก็ดีนั้นได้ถือว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นธรรมะและไม่ผิดวินยัยเป็นธรรมประการหนึ่งของสัตว์ปรุษในขณะเดียวกันก็ไม่ผิดวินัยด้วยคือวินยัยตอมีอยู่ข้อหนึ่งว่าของที่ชาวบ้านเขาถวายมาด้วยศรัทธานั้นพระเจ้าไปให้คนอื่นนอกจากนักบวชด้วยกันเนไม่ได้เรียกว่าธรรมศรัทธาไทยของชาวบ้านเขาให้ตกไป ก็คือจาบ้านก็จะเสียความรู้สึกนะคือของถวายกันตั้งใจอุตส่าห์นามาจากบ้านมาถวายพระแล้วก็พระเอาให้คนอื่นเขาเนี่ยก็คงจะเสียใจธรรมดาแต่ถ้าับให้มารดาบิดาแล้วไม่ถือว่าเป็นการทำศรัทธาไทยให้ตกถ้าไปให้คนอื่นก็ปรับอบัตเลยนะพระจะต้องฉันอย่างน้อยก็คำพึ่งคําก็ว่า ก, กันไปบางทีมันก็ยุ่งไม่ใช่เล่นหนั่นกันนะเรื่องเนี้บางทีก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจะเยกะเหลือเกินพระจะต้องตักทุกอย่าง เจอวันพระบางทีก็ตักปิ่นโตแล้วคำสักนิดหนึ่งก็แย่แล้วปกติงานเหล่านี้พระชันไม่ค่อยอิ่มอาหารมากเกิดไปต้องต้องคอยตักกับเปิดปิ่นโตถอยปิ่นโตอยู่เนี่ยก็เลยพอดีก็ถึงเพลพอดีวันพระจึงมักจะหิวเป็นปกติต่างจังหวัดเรานึกว่าโออาหารแย่พระคงฉันอิ่มที่จริงไม่ได้ชันนะฮก็มีเปิดปิ่นโตก็ตักต้องตักให้ก็ทุกแาว ตักให้ปิ่นโตแล้นิดะน้อยก็ตักอยู่เรื่อยโดนปิ่นโตมากๆบางทีหมุนเข้าไปตั้งสองสามเชี่ยวเวลามันก็มีอยู่ชั่วโมงเดียวก็จบพอดีจยนได้นิดเดียวแต่เพื่อรักษาปฏิบัติตามพระวินัยเอาไว้นะฮะแล้วก็ด้านธรรมะด้วยถึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่พอเอาให้มารดาบิดากลับเอาให้ได้ทีนี้อีกท่านหนึ่งท่านจะเห็นว่าคนระดับบารมีที่จะบรรลุมรรคผล้วยทำไปนะ นั่งกรรมฐานตั้งสิบสองปีแม้แต่สงบชั่วขณะยังไม่มีตหากว่าใครปฏิบัติกรรมฐานแล้วไม่เกิดความสงบก็ต้องนึกว่าไม่ใช่มีแต่เราไม่ต้องถามปัญหาว่าทำไมจึงต้องเป็นเรามันเป็นอย่างนี้เองโดยคนอื่นก็ก็เป็นอย่างนั้นนีะ่ะคนที่มีบารมีที่จะได้คุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปบางทีก็ใช้เก้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ทากันไปเรื่อย เมื่อเป็นการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยแห่งความสงบมีอยู่ต่อไปก็จะเกิดความสงบเองที่นี้ในการประพฤติผิดต่อมารดามารดาบิดานั้นถือว่าเป็นอักคิตนะเป็นอักขีประการหนึ่งคือเป็นไฟประการหนึ่งลักษณะที่มีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันเหมือนกับการใช้ควา ย, ยการเกี่ยวข้องกับไฟเราก็เห็นกันได้ว่าไฟก็คุณก็อนันต์ได้เกินแต่แม้โทษก็จางไว้เกิน ก็อยู่ในสิ่งเดียวกันนั่นเองก็ขึ้นดูกับการใช้การปฏิบัติเกี่ยวข้องอคนที่ประทุษร้ายต่อมารดาบิดาไม่ว่าจะจุดอะไรก็ตามเป็นเป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาคือตอนเองจะต้องได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําในลักษณะนั้นโดยตํานองเดียวกันและจะรุนแรงมากกว่ากรนี้ได้เล่าถึง อาบุตรคนหนึ่งมีความกตัญญูต่อมารดามากนะฮะต่อมารดาบิดามากแต่พอดีท่านทั้งสองก็ตาบอดอีตอนตอนตๆดีเหลือกำลังจริงๆเลยเป็นหวงเป็นใยเอาใจใส่คล้ายๆกับสุตนาโพธิสัตว์เนี่ยแต่มารดาก็อยากจะให้ลูกลูกชายนั้นมีสภา อ, อะไรมีพัญญาก็พยายามรบกวนให้ลูกมีพัญญาอยู่เรื่อยในสุดแกก็กตัญญูอีกแหละ คือคนไอการบังคับการคำสั่งของแม่ไม่ได้ก็อยอมแต่งงานพอแต่งงานไปปรากฏว่าผู้หญิงนั้นไม่ดีไม่ชอบพ่อสามีพ่อพันยาพ่อตาบอดก็ไม่เคยเลยช่วยงานอะไรก็หาทางกลั่นแกล้งด้วยประการต่างๆเช่นเอาข้าวต้มร้อนให้กินบ้างแต่กินไม่ได้แล้วก็หาวันขี้บนโรคเเลือใสก็เค็มๆบ้าง พ่ อ, พ, อพ่อแม่บ่นว่าเค็มเวลาแต่ว่าเวลาแกให้สามีดูแกให้ดูอีกอันหนึ่งนะข้าวต้มที่แกไม่ใส่เกลือเค็มๆก็ให้สามีดูบอกติเนี้ยข้าวต้มขนาดเนี้ยพ่อแม่ของคุณยังหาว่าเค็มอีกว่างๆก็เอาเม็ดข้าวโรยไว้ตามบ้านบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ของคุณกินแล้วก็ข้าวหกได้ราดนี่ยคือพยายามบั่นทอนอยู่เรื่อยเลๆครั้งสองครั้งสามครั้งเก้าครั้งสิบครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่ก็เป็นไปอย่างที่ว่านะฮะเสาหินแปดซอกตอกเป็นหลักคนผลักบ่อยเข้าเสอยังไหวแต่จิตใจของชายหนุ่มที่มีความกตัญญูกตวเวทีสูงเลี้ยงดูมารดาบิดามาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ยอมมีพัญญาเพราะเป็นห่วงเป็นใหญมารดาบิดาเวลามีเข้ามันก็โด น, นการยั่วยุด้วยวิธีการต่างๆนะคงจะใช้ หลาย เ, เยร่อเกลียนหมดทั้ควรในที่สุดจิตใจก็เปลี่ยนก็เกิดไม่ค่อยชอบพ่อแม่พอมากลับจะทํางานนั้นพัญญาจะต้องแสดงความไม่ดีของพ่อแม่ให้เห็นอยู่เรื่อยเลในสุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพัญญาเห็นว่าควรจะเดินหน้าต่อไปก็บอกให้เอาพ่อแม่ไปฆ่าทิ้งเลยพูดครั้งสองครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะแต่วัานานานข้าวแก่ในสุดแกก็ทำ ก็นำมาดาบิดาขึ้นเกวียนบอกว่าญาติพี่น้องทางโน้นต้องการจะให้ท่านทั้งสองไปนําขึ้นเกวียนไปพอไปถึงที่หนึ่งแกก็บอกรองหน้านะบอกพ่อแม่ที่นี่โจรเยอะนะให้พ่อแม่ระมัดระวังหน่อยประเดี๋ยวโจรแล้วแกก็บอกว่าแกจะลงไปทําธุระก็เปลี่ยนเสียงนะทำเสียงดังแล้วก็เปลี่ยนเสียงแคลคะโจรปร่นแล้วก็ วิ่งก็ทุบตีพ่อแม่นะ่พ่อแม่ด้วยความห่วงใยต่อลูกก็เห็นว่าลูกไปทำธุระก็ตะโกนบอกลูกบอกว่าเวลาเนี้ยโจรก็มาทุบตีพ่อแม่อยู่ขอให้ลูกหนีไปเถอะลูกลูกไม่ต้องเข้ามากลัวลูกจะเป็นอันตรายพ่อแม่แก่ไปแล้วก็ขอให้ ต, ตายก็ไม่เป็นไรแกก็เกิดความสำนึกว่าโอ้พ่อแม่เนี่เป็นอย่างนี้เรอะ ขณดเราทุบตีท่านท่านแทนที่จะห่วงใยตัวท่านเองท่านไม่ห่วงใยกับห่วงใยเรา <c oughs> จิตใจก็อ่อนโยนลงอ่อนโยนลงก็นำพ่อแม่กลับมาเลี้ยงดูประทักอย่างดีแล้วก็ยื่นคำขาดแก่พัญยานะฮะยื่นคำขาดแก่พัญยาว่าแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปคือจะไปข่มเหงรังแกพ่อแม่ไม่ได้อีกแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไป เดี๋ยวฉันจะไม่ยอมทอดทิ้งพ่อแม่ฉันอีกต่อไปแล้วก็ในที่สุดปัญญาก็ต้องยอมก็อยู่กันได้โดยปกติสุขแต่ก็บาปรกรรมนะบาปแรงทุกตีพ่อแม่เอาถึงแม่ตายก็ช้ำนายแยะไอ้บาปรกรรมเหล่านั้นทำให้ตกนรกหมกมหม้กันนานแต่ในสมัยพุทธกาลก็มาเกิดเป็นพระเถระผู้ใหญ่เรานะคือพระมกขลานะพะโ ก, กลานะที่ถูกโจรทุกตี คือพระโมกคัลลานั้นท่านเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์มากไอ้ที่โจรที่จริงโจรมาขนาดนั้นไม่ไม่ไม่คารนาอะไรนะท่านจะหลบไปหรือจะใช้ฤทธิ์อะไรก็ได้แต่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมที่จะต้องชดใช้ท่านก็นั่งเฉยๆให้โจรทุบจีอหนีไปสองครั้งแต่ครั้งที่สาเห็นว่ากรรมก็มาทานันพอดีอายุของท่านกับกำมังจะสิน้นก็ปล่อยให้เป็นการชดใช้กรรมไปแล้วก็นั่งให้เขาทุบจีเฉยๆนี่ก็คือบาปที่ เกิดจากการทุบตีพ่อแม่แต่ไม่ใช่พ่อแม่ตายนะฮะคือคนจะเอาไปเล่าเพื่อเจอไปบางคนละเรื่องกันฮนะไอ้ที่ทุบตีพ่อแม่จนตายนั้นมันไม่ใช่ประวัติของพระโมคคัลลานะพระต้าทุบตีพ่อแม่ตายก็ไม่บรรลุมรรผลหรอกมันเป็นอภัพพระไปเนละยต้องผ่านพบชาติมากมายนะฮะถึงจะกลับมาหมุนเข้ามาเป็นผู้เป็นคนเขาอีกทีหนึ่งทุบตีบาดเจ็บไม่ถึงกับทุบตีให้ตายเพราะงั้นท่านเองก็ไม่เคยถูกทุบตีตายนะฮะเพียงแต่บาดเจ็บ บาดเจ็บก็สาหารรสัสพอสมควรเพราะงั้นการตีของโจลในคราวนั้นเองก็ไม่ได้ตายแต่ก็น่วมไปทั้งตัวเป็นการเสร็จแล้วท่านก็ใช้อานาจของสมาธิสมาบัติต่ตอมาก็ใช้เป็นพวกคาถาพวกศิษยศาสตร์อย่างเรียกโมกขลานประสานกดูกโมกขลานประสานกระดูกเป็นคาถา ท, าที่เขาใช้เอกเปล่าในด้านประสานกระดูกกระดูกหักกระดูกแตกทาประสานกระดูกเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าพระพุทธเจ้าทูลลาพระนิพพาน ตอนนั้นพระพุทธเจ้ากําลังเตรียมเดินทางจะไปเวสาลีที่จะเดินเดินเดินทางไปนิพพานที่เมืองกุสิณาลาแต่ก่อนนิพพานเมื่อวันแรม15บห้าค่ำเดือนเดือน12บสออยู่สิ้นเดือนเดือน12ต่อมาอีกหเดือนพระพุทธเจ้าก็อีกหเดือน6เดือนพระพุทธเจ้าก็นิพพานจช้ห้าเดือนครึ่งพระพุทธเจ้าก็นิพพานอันนี้คือโทษที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้าย มารดาบิดาเป็นเรื่องที่พระเจ้าเน้นมากเพราะมันเนเล่นกับไฟนะฮะมันเหมือนกับพระอาหารหันต์ท่านลองท่านลองไปวางดูว่ากรรมที่ทําผิดต่อมารดาบิดาระดับเดียวกับพระอาหารหันต์การทําประโยชน์สักการะ บ, บูชาให้ความเคารพนับถือต่อมารดาบิดามีผลระดับเดียวกับพระอาหารหันต์ระดับเดียวต้องสองด้านนะฮะ ท่เราสวดอาหุนโยปาหุนโยตะกิตนโยอันนติกานโยเนีย่ยโนตรรังบุญญาเกตังโลกัสสะอาหุนโยก็คือมารดาบิดามารดาบิดาเป็นอาหุเนยยาเจปุตตาหนังเป็นอาหุเนยยาของบุคคลในชั้นบุญบุญสูงสุดจากการอุปถาความรุงมารดาบิดาเท่ากับอุปถาความรุงพระอาหารหันต์ในชั้นบาปนะชั้นบาปบาปที่กระทําผิดตอ่อพระอาหารหันต์มีค่าเท่ากับทำผิดตอ่อมารดาบิดาในอันนรติการมทั้ง5ประการนะ เพราะั้นพวกนี้บุญสูงสุดบาปสูงสุดบุญก็สูงสุดในชั้นชั้นบุญกุศลที่เป็นวัตคามีนะครับแล้วก็ในแง่ของบาปก็บาปสูงสุดคือพวกอนันตริชกรรมการอุปถากต์บำรุงมารดาบิดาจึงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรียกว่าสับปุริสบัญญตัติคือเป็นคำสอนของสัตว์บุรุษที่มีมาแต่โบราณกาล มีมาแต่โบราณการเลยคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยโลกเคารพยกย่องมารดาบิดาแต่ที่แปลกก็คือว่าบาลีใช้คําว่ามารดาบิดานะฮะแต่พอมาถึงเมืองไทยพวกผู้ชายส่วนมากเป็นคนเขียนหนังสือผู้ชายก็มายอมเล็กกว่าผู้หญิงก็เลยเอาพ่อแม่มาไว้แทนเอาพ่อแม่ก็แทนที่จะแม่พ่อผู้เจ้าเรียกแม่พ่อตลอดไม่มีคําว่าพ่อแม่เลยมีแม่พ่อตลอดนี่ก็ผู้หญิงก็เสียเปรียบผู้ชายตอนเนี้ย เพื่อนก็บเบีย้ยวเบี้ยดเ่อแต่ไงก็ตามในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกเป็นพรหมเป็นพระอระหันต์เป็นมิตรเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เกิดเป็นอะไรยกกชื่อแย่ได้เกิดนะฮะต้องใช้คำเรียกแยะแต่สรุปว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การอุปถากต์บำรุง การอุปถักต์งมารดาบิดานอกจากเป็นอุดมมงคลอย่างที่ส่งแสดงไว้ในตอนท้ายแล้วยังเป็นบุญเป็นคุณเป็นทั้งบุญและเป็นทั้งคุณในกรณีของบุญก็โดยนัยที่กล่าวแล้วคือเหมือนกับบูชาพระรหันในกรณีของเป็นคุณก็เพิ่มความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วก็เป็นสร้างเป็นการสร้างแบบแผนให้ลูกหลานของเราได้เห็นเป็นตัวอย่าง บบเพราะการกระทำของคนรุ่นเก่านั้ น, น, น, นเขาเรียกว่าเนติคือเป็นแบบแผนสร้างเนติแบบแผนให้คนรุ่นหลังเขาถือตามปฏิบัติตามสุดแล้วแต่ว่าเราจะสร้างแบบแผนในแนวไหนบางทีแนวหนึ่งที่เขาเล่าถึงว่าพ่ออันนี้ปูนะฮะพ่อนั้นไม่นับถือไม่ไม่นับถือพ่อของตัวเองคือไม่นับนับไม่นับถือปู่ข้างหลานน่ะไอ้ลูกชายก็เกิด ไอ้ลูกชายนั้นชอบปู่รักปู่มากแต่พ่อก็ไม่ให้ความเคารพเกรงใจพ่อของตัวเองก็ให้อาหารก็ไม่ดีไม่สนใจความเป็นอยู่สุขภาพปรานาไมาแม้จะหนาวก็ให้ผ้าห่มนิดเดียวเนี่ยรังแกก็ที่เรียกว่ารังแกพ่อตัวเองอ่ะไอ้ลูกชายตัวเด็กก็เปียกๆเนี่ยแกเห็นแกก็คิดคิดคิดจนถึงกับรังแกพ่อขนาดว่าเอาเอาให้กินข้าวกับกะกลานะฮะ ก็ขูดกะลาให้เป็นภาชนะในการกินอาหารคือจะให้พ่อตัวเองเป็นสุนัขให้ได้เพื่อจะเพื่อตัวเองจะได้เป็นลูกสุนัขด้วยก็ในสุดเอ๊ยล้านชายก็เห็นเช่นเช่นั้นก็วันหนึ่งแกก็นั่งขูดกะลานั่งขูดขูดพ่อก็ถามมาทําอะไรเอ๊ขูดกะลาขูดทําอะไรขูดไว้ทําที่ใส่อาหารให้พ่อกินเวลาพ่อแก่ๆเหมือนกับป่วยอันเนี้มันก็ได้แบบะ ได้แบบได้สร้างแบบแผนที่ไม่ดีให้ให้ลูกของตัวเองได้อันนี้ก็เกิดความสำนึกที่หลังเอวันหลังเราแก่ขึ้นมาตอนนั้นพ่อเราก็ตายแล้วเราแก่เราก็ทํางานไม่ได้ลูกก็คงจะให้กินแบบกะลาอย่างนี้ด้วยในที่สุดก็เลิกให้การอุปถามภ์บรุงมารดาบิดาเออบํารุงพ่อของตนดีแต่ในแง่ของความรุนแรงเราจะเห็นว่าเป็นกิริยาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสัด ส, ส่วนเท่าเทียมกัน ถ้าไปไปทำกับพ่อแม่อย่างในราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารนะฮะพิมพิสานในมีกษัตริย์ห้าองค์ที่ต่อกันมายกเว้นพระเจ้าพิมพิสานที่ไม่ได้ฆ่าใครแล้วเนี่ยทุกคนในข่าพ่อหมดเลยพระเจ้าชาตตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเดือดร้อนวุ่นวายครองราชไม่มีความส ง, งบนครร้อมโดยภูเขารอบแล้วเป็นห่วงพระเจ้าจันทบโตรจะยกมาลงโทษ ต้องสร้างกำแพงไปกัน้นภูเขาไว้ท่านที่เคยไปอินเดียคงจะเห็นนะเ็นเจกิรีมีมีกำแพงอยู่บนยอดเขาก็ขำดีเหมือนกันะสร้างกำแพงบนยอดเขาเพราะความกลัวของพระเจ้าชาติูคือพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยเป็นพระสหายกับพระเจ้าพิมพิสารก็ ร, รู้ว่าพระเจ้าอาชาติสูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารกริ้วมากเลยจะยกกองทัพมาแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ท่าน ก, ก็ก็ไม่กล้ายกมาพระเจ้าชาติสูกลัวมากเลยต้องสร้างกำแพงบนภูเขา ก็เห็นจะเป็นเป็นแห่งเดียวแล้วมนะั้งนอกจากกำแพงเมืองจีนนั้นก็สร้างมันผ่านชนอะไรก็ก็สร้างไปเรื่อยๆต่อมาพระเจ้าชาติสุครองราชอยู่ระยะหนึ่งอุไทัยพัตรราชโอรสก็ฆ่าพระเจ้าชาตสุตายโดยเหตุผลก็คือว่าพระเจ้าชาติสุฆ่าปูแก่ต่อมาพระเจ้าอะไรอนุรดลูกชายของพระเจ้าอุทัยพัตรก็ฆ่าพระเจ้าอุทัยพัตร บอกว่าพระเจ้าอุทัยพัฆ่าปู่ก่ต่อมาก็พระเจ้ามุนกะถึงเป็นลูกของอนุรุตค่าพระเจ้าอนุรุตบอกว่าอนุรุตค่าปู่มาถึงพระเจ้าทักาข่าพระเจ้าบุณกะโดยเหตุผลว่าค่าปู่เหมือนกันฆ่ากันมาร่วมร้อยปีนะฆ่ากันมาร่วมร้อยปีตกลงประชาชนต้องล้างราชวงศ์เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ เพราะพวกนี้ฆ่าพ่อกันดุดดุดไปเลยนั้นก็คือกรรมในสัดส่วนที่เราทำต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นอาหุเนยะคือเป็นรหันของรูปเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะที่รุนแรงพระเจ้าทรงใช้คำว่าไฟนะครับปีตะคิมาตะคีอคิไฟคือพ่อไฟคือไฟคือแม่ไฟคือพ่อที่ เวลาบุคคลเกี่ยวข้องจะต้องมีความระมัดระวังไม่ล่วงเกินไม่กระทาอะไรเหมือนกับไฟนะฮะถ้าให้ระมัดระวังไฟก็ไม่เอาแต่ถ้ามีการระมัดระวังใช้ประโยชน์จากไฟก็ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อไปก็ปุทธดา ร, รัสสังกะโหคืออย่าลืมนะการแสดงในที่นั้นเป็นการแสดงตามลักษณะทางสังคมแล้วก็คนมาถามก็เป็นพวกเทวดาลูจชาย เจ้าก็ทรงแสดงการเลี้ยงดูบุตรภันยาให้ได้รับความสุขจะเป็นภารกิจอย่างหนึ่งคําว่าภรรญานั้นถ้าแปลโดยรูปศัพ์แปลว่าผู้ที่สามีพึงเลี้ยงดูนะฮะปริยาแปลว่าผู้สามีพึงเลี้ยงดูคำว่าสามีแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือเป็นนายที่จะต้องรับผิดชอบต่อภันยาของตัวเองก็เป็นคําที่คู่กันแต่หากว่า ไม่เลี้ยงดูพันยาไม่เลี้ยงดูบุตรธิดาก็ชื่อว่าเป็นเป็นเป็นอภมงคลของบุคคลผู้นัน้นนี่ก็คือการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ที่เป็นสามีนั่นเองแม้ทุกวันลักษณะทางสังคมวิชาการอะไรๆจะหลากหลายออกไปยังไงก็ตามที่ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพียงห้าข้อนั้นก็ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะ เพราะว่าข้อเราอื่นมันจะซ่อนอยู่ในข้อเหล่านั้นเองไม่ว่ายกย่องนับถือสถานะของพัญญาไม่ดูหมินไม่ประพฤตินอกใจแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้ให้ของขวัญให้รางวัลให้เครื่องประดับแต่งตัวเป็นต้นไอ้ทีนี้ไอ้ในเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องต้องเข้าใจเหมือนกันว่าให้ทําในวิสัยที่จะทำได้ไม่ใช่ว่าทําเรื่องนอกวิสัย เมื่อคือนนี้ลูกศิษย์เขามาเล่าให้ฟังถึงถึงเขาเองกับเพื่อนของเขานะฮะก็ บ, บาเวล น, นี้มันลงแต่เผาเดียวกันคือพยายามหาเงินไปทํางานพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งก็มีไม่มากเวลาจะทํางานพิเศษพัญยาไม่ยอมให้ไปทะเลาะ ก, กันเรื่อยแต่ในที่สุดแกก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้นต้องการอย่างนดต้องกา ร, การไปภารุษวันอาทิตย์แต่เนี่ยแต่งตัวสวยๆต้องการใช้เงินมากแต่ว่า ง, งานแกไม่ทํา ก็พูดยางอยางนี้ก็พูดกันไม่ตกลงเอ่อก็ต้องเรื่องเป็นเรื่องของเหตุผลหรือต้องอยู่ในพิสัยที่จะกระทําได้ไม่ใช่ว่าไปอกเอาใจกันจนเป็นหนี้เป็นสินสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวก็กลับมาสู่ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งในด้านของบุตรธิดาซึ่งเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่พระเจ้าก็ทรงแสดงหน้าที่ เรวก็ถือว่าถ้าข้อนั้นก็สมบูรณ์แล้วเหมือนกันก็ได้แก่การห้ามปราบชี้แนะไม่ให้กระทำความชั่วความผิดต่างๆให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษาและเรียนตามสมควรแก่ความสามารถของตนมอบทรัพย์สมบัติให้ ในโอกาสที่สมควรตบแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นขวากันไปแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสที่เหมาะสมควรแต่การมอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะโดไมมอบหมดไม่คได้ต้องไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจคือคนนี้ดูกันยากมากกิ่งขึ้นเรียนรู้กันมากจะมากมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ก็มี คนก็ามาล่าฝั่งคว้างแล้วก็สลดตดตรูนะฮะแกมีกิจการที่เกี่ยวกับร้านอาหารมีลูกน้องอยู่ทั้งสามสิบกวคนพอแกสวดเซลงหน่อยเดียวตันเด้งลูกน้องวิ่งหนีหมดเลยลูกน้องไม่ยอมเผชิญอันตรายด้วยกันเลยทิ้งแกไปหมดตัว น, นี้ก็โดดเดี่ยวกันสองสามีพัญญานี่คนตั้งสามสิบคนนะฮะเลี้ยงดูเขามาอุปถัมภ์สงเสริมมา มีปัญหาอะไรจอแก้ไขแกบอกแกเลี้ยงดูแบบพ่อกับลูกคือคื อ, เ, องเงินเดือนก็เงินเดือนช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันอีกแต่ก็แหมคนตั้ง30ไม่เหลือสักคนนองก็น่าน้อยใจเงนนะฮะนี่ก็คือคนเพราะะในลูกลูกเองก็เหมือนกันคืออย่าไปถึงกับมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดประเด็นนี้คนมันก็ก็น่าดูเหมือนกัน บางทีแกได้ทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะฮะสมัยพุทธกาลมันก็คือการอย่างที่พราหมณ์เท่าคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้คาถาไปแก้ปัญหาน ะ, ะมีลูกชายสี่คนปัญญาตายแล้วท่านก็แบ่งมรดกออกเป็นห้าส่วนท่านเองไว้ส่วนหนึ่งแล้วให้ลูกคนละส่วนต่อมาลูกมันเกิดโลคไอส่วนที่หนึ่งของพ่อ ม า, าซ้าซีมาอ้อนวอนมาให้ประกันว่าจะเลี้ยงดูพ่อเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนี่ในสุดพ่อก็ะใจอ่อนก็เอามาแบ่งอหนึ่งส่วนนั้นเป็นสี่ส่วนอีกทีหนึง่งเอาให้ลูกเท่าๆกันเสร็จแล้วก็ต้องเดินทางไปอาศัยลูกคนนั้นทีก็ถูกสะพ้ายพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรย ก็ไม่รู้จักไปบ้านของน้องหรือโนจะนําไปเองหรือให้เด็กนําไปให้ถูกต้องคือพูดไปที่ไอ้ไอ้ไอ้เรียบเคียงกระทบกระแทกอย่างนั้นในที่สุดแกก็อยู่ไม่ได้แล้วมาขอให้พระพุทธเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยโดยผูกเป็นคําคาถาให้แกไปว่าในทรากลางสมาคมของพราหมณ์สมัยนั้นก็ดีอย่างหนึ่งว่าถ้าใครที่ มารดาบิดาเลี้ยงมาแล้วไม่เลี้ยงมารดาบิดาตอบนั้นประชาชนจะรุมประชาธานเอาเรียกว่าอาจจะตายไปโดยทางบ้านเมืองไม่ได้เอาผิดโทษอะไรเมื่อพราหมณ์ไปกล่าวคาถาเช่นนั้นพวกพราหมณ์ได้ยินเข้ากโ็โกรธสืบหาพอรู้เขาจะลงประชาธาิญาติลูกลูกก็เกิดความสำนึกมาขอร้องให้พ่อช่วยพ่อก็ช่วยอีกแหละแล้วก็กลับอุปถาความรุงด้วยดี ดังนั้นการแบ่งทรัพย์สินให้นันจึงอย่างน้อยก็ควรจะไว้สักส่วนนะเผื่อว่าเก็บไปกินโดยเพื่อให้เกิดความมั่นใจและอย่างน้อยก็เราก็ไม่ต้องไปรบกวนอะไรเก่เด็กนี่ก็เป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติภายในครอบครัวเพื่อให้เกิดความสุขเลี้ยงดูบุคคลสามฝ่ายคือคนที่เหนือกว่าเราพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นที่พระเจ้าทรงใช้กรรมากุลเชิด คือผู้ใหญ่ภายในสกุลภายในสกุลอาจจะมีนอกเหนือจากพ่อแม่ไปก็ได้แต่ก็นับพ่อแม่ขึ้นไปคือเหนือเราขึ้นไปอาจจะมีปู่ย่าอยู่ด้วยก็ได้ก็ยิ่งดีใหญ่ก็เลี้ยงดูประถากมีพระหันอยู่ในบ้านหลายหลายองค์ก็ได้รับความสุขความอบอุ่นดีแต่ข้างล่างในที่นี้ก็เน้นไปที่พัญญาที่บุดแ๋ยวโดยหลักการปฏิบัติจริงๆมันก็เข้าในพวกทิศถกนะฮะคือพวก บริวารคนใช้อะไรๆก็ต้องให้ความสุขความสบายแก่เขาเป็นเรื่องใหญ่คือมงคลสิบข้อแรกเป็นเรื่องส่วนตัวเองแต่ตอนนี้ก็มีครอบมีครัวมีลูกมีพันยามีภารากิจที่จะต้องรับผิดชอบพระพุทธเจ้าก็ยังสองต้องเอามงคลอีกข้อหนึ่งไม่งั้นไม่พอกินนะก็คืออนากลาจกรร ม, มันตาการทาการงานนั้นอย่าให้ข้างค้างอากร งานอะไรจะต้องทําอย่างเอาจริงเอาจังทําให้สําเร็จรู้ล่วงไปปัจจุบันนี้เราก็มีสูตรที่อ้างกันง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเวลาไม่ว่างเลยไม่มีเวลาเลยบางทีนั่งคุยนะยังไม่มีเวลาเลยรับไปอบรมทหารบางแห่งเนี่ยแกบอกไม่ว่างแต่จริงแกก็นั่งคุยอย่างห่างๆนั่งคุยกันอยู่ราชการกูสาจ้างให้แกมาฟังเทศแกมาถึงแกก็ตั้งวงนั่งคุยกันแล้วก็ไปรายงานผูบ้บังคับบัญชา ว, ว่าติดธุระไม่ว่าง ถือติดงานคุยกันดูถือเป็นการสัมมน า, าอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือข้ออ้างที่บางครั้งบางคราวเวลากเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็แก้ปัญหาอะไรเองไม่ได้พระเจ้าก็ทรงสอนให้ทำงานอย่างมีความหมั่นขยันบาลีใช้คำว่าอุทถาตาเลยอุทถาตาหรืออุทธธนาะสัมปทาแปลว่ามีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานเนื่องจากรายจ่ายมันสูงขึ้น จำเป็นเลยจะต้องมีรายรับสูงขึ้นถ้าไม่งั้นก็เป็นปัญหาอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกันพระเจ้าจึงทรงสอนให้ทํางานให้สําเร็จร่วงไปด้วยดีลักษณะก า, ารทํางานในแนวนี้ทรงเน้นว่าถ้าจะทําให้ทําการงานนั้นจริงๆให้บากบั่นพยายามในการงานนั้นให้มากเพราะจ่าเพราะความเพียรที่ย่อดยอนที่ละหลวมผลาดวันประการพรุ่งอ่างหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนักเช้าอยู่เย็นแล้วแล้วก็ไม่ทําการงานในสุดแล้วก็จบ คืออ้างกันได้เรื่อยไปแต่ว่าสอนให้ทำการงานนั้นอย่างจริงจังไม่คำานึงที่เรียกว่ามันเหมือนกับอะไรคือคือไม่ได้เห็นเรื่องเล็กๆอย่างอย่างว่าหญ้าเห็นหญ้าเป็นภูเขาอย่างนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าทำงานแต่จะมองให้เห็นไปนเรื่องเล็กๆธรรมดาธรรมดาสามัญนเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องแปลกระการหนึ่งคือ เรียวแรงความพยายามที่เราใช้ไปนั้นมันแปลกที่ว่ายิ่งใช้มันยิ่งเกิดเรี่ยวแรงแม้จะหมดไปเราพักอีกหน่อยเดียวเราก็เกิดโดยเฉพาะความพยายามนั้นยิ่งเกิดความจานิ้จานานความรอบรู้มากยิ่งขึ้นจากการกระทําในเรื่องนั้นๆทําบ่อยๆยิ่งเกิดมากยิ่งขึ้นผิดก็เงินเงินยิ่งใช้ยิ่งหมดเรี่ยวแรงความพยายามต่างๆยิ่งใช้มันยิ่งเกิดมีความจานิ้จานานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทรงสอนให้ทำการงานอย่างมีนึกถึงคนอื่นน่ะนึกถึงภารกิจที่ตนจะต้องเลี้ยงดูที่จะต้องดูแลเอาใจใส่บุคคลเหล่านั้นการทำงานประเภทนี้ก็แบ่งไว้เป็นสามลักษณะด้วยกันขณะแรกว่างานภารกิจเฉพาะหน้าที่มาถึงข้าวมี่ติมาถึงคืองานประจำงานประจำในแต่ละวันเนี่ยมีงานอะไรที่จะต้องทาบ้างไหม ก็พยายามทําการงานนั้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่มันก็อยู่ที่การทํางานเป็นว่าจะเอาอะไรก่อนอะไรหลังกันไม่ใช่ว่าทํางานตีเครื่องพิมพ์ดีดก็มีกระดาษค้างอยู่ที่จะตีจ่าก็มีหนังสือวางไว้จาก็ไม่ได้ปั๊มที่เอกสารเสร็จแล้วซองก็วางอยู่แล้วยังไม่ได้พิมพ์ซองยังไม่ได้ใส่ซองอะไรตัววางอยู่เกลื่อนไปหมดเลยไม่รู้ว่างานอะไรก่อนอะไรหลัง ถ้าการถ้าคนทำงานเป็นเราจะเห็นว่าอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเช่นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่6หรือแม้สมเด็จประมาณสำนักเจ้าเนี่ยกรมยาวิยานุรรถเราดูแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อว่าท่านเอาอะไรมาทำเวลาที่ไหนมาทำสมัยนี้เราสบายตั้งเยอะนะฮะว่างๆก็พูดใส่เทปให้คนจะลอกให้เขียนหนังสือสบายแล้วเราพูด30สิบนาทีเพื่อก็ลอกให้ได้6หน้าพูดชั่วโมง 6, นึงก็ได้บหน้าปเดี๋ยวก็ไดงินือเล่มนั้น ต่ไนั้นท่านต้องเขียนเองทั้งหมดเลยทรงเองไม่มีพิมพ์ดีดไม่มีเทปไม่มีอะไรเลยทรงเองทั้งหมดแต่ท่านก็ทำก็ท่านได้เรียกว่าเป็นคนที่ทำงานเป็นงานเป็นก็คืองานที่เกิดที่ที่เป็นภารกิจประจำวันนั้นต้องเสร็จไปเป็นวันๆไงไม่จะปล่อยวันนี้ค้างไว้ต้องคอยผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆไป แต่ในขณะเดียวกันชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีงานประจําเพียงอย่างเดียวมันมีงานหนึ่งเป็นงานจอนบางทีจรมาแรงเหลือเกินจรมากกว่างานประจําซะอีกแล้วทํำยังไงก็ต้องทํางานจร น, นั้นให้สําเร็จให้สําเร็จเมื่อมีงานสองระดับเช่นนี้ก็ทรงตอกย้าก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายฮะว่าให้ทํางานนั้นอย่างเอาจรงิงเอาจงังเพาไม่เอาจรงิงเอาจงังแน่นอนถ้ามีทั้งงานประจํางานจรละค้างแน่ ถ้าเอาจิงเอาจังเลื่อนเวลานอนไปหน่อยหนึ่งทำไปถึงเที่ยงคืนนะยังไม่เสร็จก็เพิ่มอีกตั้ชั่วโมงหนึ่งแต่ชั่วโมงยังไม่เสร็จก็เพิ่มนอนตีสองก็ได้เป็นไรเราค่อยนอนจริงๆเวลาตายเวลาอย่างอีกเยออันนี้ก็ทำงานกันไปก่อนในสุดเราก็สามารถที่จะทำงานได้เมื่อทำงานในลักษณะนี้งานต่างๆก็ไม่มีลักษณะข้างๆอากล ตัวงานที่ค้างค้างอากูนนั้นบางทีมันก็อยู่ในลักษณะของแหลกกระดินพ่อกขังหมูแล้วก็พอกพอกกันไปในสุดหางก็ใช้อะไรไม่ได้จะไล่แมลงที่มากัดก็ไม่ได้ยกหางไม่ขึ้นการงานต่างๆก็มีลักษณะเช่นนั้นงานโน้นก็ค้างงานนี้ก็ไม่เสร็จงานนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยในที่สุดก็วุ่นวายไปหมดเลยเดินเดิ น, เ ด, นเดินเรื่องอะไรไม่ได้อาบะวงคลก็เกิดขึ้น แต่ถ้างานที่เดินไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรบกพร่องค้างค้างอยู่ก็เป็นอุดมมงคลนี่เป็นอุดมมงคลในคือเรื่องของความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะฮะาจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาที่ปัญหาทางเศรษฐกิจของเราที่เกิดขึ้นจำนวนหนึ่งนั้นปัญหาหใหญ่จริงๆก็อยู่ที่คนไทยนะั้นรสนิยมสูงแต่ค่าแต่รายได้ต่ำปัญหาหลักมันอยู่ตรงนี้ รสนิยมสูงนั้นยังไม่หยุดเลยแต่รายได้ก็ยังต่ำอยู่แต่เมื่อเรื่องที่จะต้องจ่ายสูงขึ้นถ้าคนเราขยันเพิ่มขึ้นทํางานมากขึ้นไรายได้พิเศษมากขึ้นที่มันได้มาในทางที่เป็นธรรมมันก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้แต่เป็นอย่างนั้นก็ใช้วิธีกู้ลู ก, ลกเดียวเพราะธนาคารเขางดปล่อยสินเชื่ออะไรต่ออะไรต่า ง, า ง, า ง, างแบบนี้ก็แชร์ก็ล้มกันเป็นแถวแล้วขอนแกนก็ขาว่าระเนระนาดกันไปเลย อันนี้ก็เกิดเกิดขึ้นมาจากอะไรคือความต้องการนั้นสูงแต่สิ่งที่ตอบสนองความต้องการมีน้อยแล้วบุคคลทั้งๆที่รู้ว่าน้อยก็ไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามที่สอดคล้องคือไม่ต้องไปรับผิดชอบสืบต่อไปอีกไม่ต้องตามไปแก้ปัญหาเพราะอะไรก็กู้อะไรก็ยืมไเวลายืมมันก็ง่ายเวลากู้มันก็ง่า ย, าายแต่ว่าเวลาใช้คืนมันก็จะมีปัญหาเหมือนกัน ถ้ า, าว่าได้เพิ่มพูนความเพียรพยายามในการทํางานขึ้นเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นในรายจ่ายจะตามขึ้นไปก็พอที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้ารายได้คงเดิมแต่ว่ารายจ่ายสูงขึ้นในสุดก็คงเป็นปัญหาอย่างที่เราพบเห็นกันวิธีนี้จึงเป็นมงคลจริงๆแม้ในปัจจุบันนี้ยิ่งต้องเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าทํางานด้วยภารกิจประจําวันทํางานในสำเร็จงานซ้อนเข้ามางานจรเข้ามาจะมากหรือจะน้อยก็รีบทําให้สำเร็จ แล้วก็ทำงานอย่างตั้งใจจริงๆเอาจริงจังเอาจริงอาจังกับการงานหลักเหล่านั้นในเรียกว่าหลังสูขพาหน้าสู้ดินจริงๆกันแล้วมีความอดทนมีความมุมาณาพยายามก็จะเกิดเป็นมงคลขึ้นในชีวิตในครอบครัวของตนได้มงคลข้อนี้ก็มีอยู่สข้อนะฮะการวุฏถากบารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูภัญญา ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะและเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงๆก็ต้องเป็นคนที่ทำการงานด้วยความหมั่นขยนันไม่ปล่อยข้างๆอากูลเอาไว้นี้ก็ชื่อว่าเอตมังกรมุตตมังเป็นอุดมมงคลอีกชุดหนึ่งสาหรับในวันนี้ก็ขอยุิไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเือน